ตั้งแต่สองทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นเวลาที่พระเจริญทําหน้าที่บีบนวดให้หลวงพ่อเดิมนับแต่วันแรกที่เข้ามาอาศัยร่วมไม้ชายคาของวัดนี้พระหนุ่มไม่เคยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แม้เพียงครั้งเดียวค่ำคืนนี้ก็เช่นกันและแทนที่จะเซาซีถามเรื่อศึกเช่นคืนก่อนๆท่านกลับพูดขึ้นว่า หลวงพ่อครับวันนี้ผมเรียนรู้วิธีอ่านบาลีด้วยตนเองไม่ทราบจะผิดหรือถูกประการใดไม่มีผิดหรอกคุณถูกต้องทั้งหมดตามที่คุณเข้าใจผมยังไม่ได้กราบเรียนให้ทราบเรื่องวิธีการเรียนรู้แล้วเหตุไหนหลวงพ่อจึงบอกว่าถูกต้องทั้งหมดหลวงพ่อไม่ได้พูดเพื่อเอาใจผมนะครับทำไม ฉันจะต้องเอาใจคุณฉันเพียงแต่พูดไปตามความจริงเท่านั้นเองก็คุณตั้งกดขึ้นมาสามคอใช่ไหมและกดที่คุณต่างขึ้นมานั้นก็ถูกต้องทุกคอฉันจึงพูดว่าถูกต้องทั้งหมดแบบนี้ฉันพูดเอาใจคุณหรือเปล่า ภิกษุทราย้อนถามแล้วหลวงพ่อทราบได้อย่างไรครับภิกษุหนุ่มรู้สึกพิศวงโกอย่างที่ฉันเคยบอกคุณแล้วอย่างไรละว่าจิตที่ตั้งมันทำอะไรได้หมดเหมือนเรื่องเดนที่คุณเล่าให้ฟังเมื่อคืนก่อนที่บริกรรมนโมพุทธายะปลุกพระให้นั่งได้ แต่พอเปลี่ยนมาว่านะโมพุทธายะเพราะใจรุนเร่พระเลยนั่งไม่ได้ฉันก็อาศัยหลักเดียวกันนั้นแต่ผมไม่เห็นหลวงพ่อต้องนั่งหลับตาบริกรรมอย่างเน้นเลยนี่ครับอยู่ๆหลวงพ่อก็พูดแล้วก็ตรงกับความจริงก็ฉันฝึกจิต จนตั้งมันเป็นปกติวิสัยแล้วจึงสามารถนำมาใช้ได้ภายในพริปตาโดยไม่จำเป็นต้องมานั่งบริกรรมฮิตกับพวกพอมดหมอผีหรือพวกหมอดูทั้งหลายที่ต้องนั่งหลับตาบริกรรมทําปากขมุกขมิดเสียก่อนแล้วจึงจะบอกได้ ซึ่งบางครั้งก็เป็นการขาดเดาวไม่ได้รู้แจ้งเห็นจริงดังที่อวดอ้างอย่าว่าแต่คนพวกนี้เลยแม่พวกพระอย่างเราๆก็มีไม่น้อยที่หากินแบบนี้แล้วไม่บาปหรือครับโดยเฉพาะพระน่าจะผิดวินัยด้วยไม่ใช่น่าจะหรอกผิดเต็มที่เลยเจียยแหละ เพราะถ้าตนไม่รู้แจ้งเห็นจริงแล้วไปทํานายทายทักว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เมื่อไม่เป็นดังที่พูดก็ดเ่ากับโกหกจริงไหมเหล่าจริงครับแม้หลวงพ่อครับผมอยากทำได้อย่างหลวงพ่อจังเลยอยากรู้ว่าคนอื่นเขาคิดอย่างไรเขาพูดจริงกับเราหรือโกหก ถ้ารู้ได้อย่างนี้คงสนุกดีนะครับมันก็ไม่แน่เสมอไปเพราะถ้าคุณนำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิดแทนที่จะเป็นประโยชน์กลับเป็นโทษแล้วความรู้ที่ผมได้ละครับลุงพ่อที่ผมคิดกดสามข้อได้ทั้งที่จิตผมยังไม่ตั้งมั่นภิกษุหนุ่มสงสยัย รู้แบบนั้นเป็นการรู้ด้วยปัญญาซึ่งย่อมถูกต้องตามความเป็นจริงผิดกับการรู้ด้วยตัณหาอุ ป, ปาทานซึ่งมักผิดพลาดไม่ถูกต้องแล้วคำว่าย่อมกับมักนี้มันต่างกันอย่างไรครับลุงพ่อพระเจริญถามอย่างนึกสนุก คิดว่าภิกษุชราจะตอบไม่ได้แทนคำตอบหลวงพ่อเดิมกลับย้อนถามว่าคนยอมตายกับคนมักตายสองประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันหรือเปล่าละ่ะไม่เหมือนครับผู้อ่อนวัยกว่าตอบไม่เหมือนยังไงไหนลองอธิบายมาสิ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 ทีนี้คุณก็คงเข้าใจแล้วใช่ไหมที่ท่านกล่าวว่าการรู้ด้วยตัณหาอุปาทานมักผิดพลาดนะท่านทวนถามเรื่องเดิมเข้าใจแล้วครับเข้าใจว่ายังไงไหนลองพูดให้ฉันฟังหน่อยสิเข้าใจว่าบางครั้งมันก็ผิด บางครั้งมันก็ถูกไม่แน่นอนส่วนการรู้ด้วยปัญญานั้นถูกต้องแน่นอนครับเออคุณเก่งลุงพ่อเดิมชมครับแต่ก็เก่งน้อยกว่าลุงพ่อผมอยากรู้อะไรอะไรอย่างที่หลุงพ่อรู้ผมต้องฝึกจิตให้ตั้งมั่นใช่ไหมครับถูกต้องคุณเป็นคนมีปัญญาอยู่แล้วถ้าฝึก ให้ตั้งมันได้รับรองว่าไม่มีใครเทียบเทียมคุณได้แม้แต่ฉันหลวงพ่อคงจะยอผมมากไปกระมังครับอย่างผมรู้จะเก่งกว่าหลวงพ่อแค่คิดว่าเก่งเท่าหลวงพ่อผมก็ไม่กล้าคิดแล้วภิกษุหนุ่มพูดอย่างอ่อนน้อมทำตน ฉันไม่ได้ยกยออะไรคุณรอกนะแต่ฉันพูดความจริงคุณไม่เหมือนกับคนอื่นรู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเองมีดีอะไรในตัวบ้างก็พอจะรู้รู้ครับพระนุ่มตอบอ้ายๆท่านคิดว่าดีคือความมีรูปสวยเช่นอะไรก็ความหล่อนะครับ ผมรู้ว่าตัวเองหล่อเข้าตำรารูปหลอพ่อรวยลุงพ่อไม่รู้อะไรสมัยที่ผมเรียนอยู่บางกอกเวลาเดินผมต้องถือไม้สองอันเอาไว้ทำอะไรคราวนี้ลุงพ่อเดิมสงสัยบ้างเอาไว้ไล่พวกผู้หญิงที่มารุมจีบครับท่านตั้งใจยั่วยาวหากลุงพ่อเดิมกลับว่าเพิอเจอ คนนี่ชอบพูดเพอเจออย่าหัดสะสมบาปไวท้ทีปากท่านสั่งสอนพระหนุ่มรู้สึกเจ็บลึกเข้าไปในหัวอกหน้าม้อยลงทันใดที่ฉันต้องการจะบอกคือคุณมีอะไรที่ไม่เหมือนคนทั่วไปเช่นรูปร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณ รู้ไหมทำไมจึงเป็นเช่นนี้ไม่ทราบครับแล้วอยากรู้ไหมไม่อยากครับภิกษุหนุ่มแกล้งยั่วภิกษุชราโทษฐานที่มาว่าท่านสะสมบาปไว้ที่ปากเอาละ่ะไม่อยากก็ไม่เป็นไรแต่ฉันอยากให้คุณรู้ก่อนเลยจะบอกว่า ที่คุณรูปร่างสูงใหญ่ผิดคนอื่นๆนั้นเพราะคุณเคยเป็นแม่ทัพเอกสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นแม่ทัพหนุ่มส่วนฉันเป็นแม่ทัพเฒ่าที่เขาปลดระวางแล้วแต่ฉันก็ได้ทายทอดยุทธวิธีในการทำศึกให้กับคน ท่านไม่เคยบอกเรื่องนี้แก่ใครมาก่อนคุณจะเชื่อหรือไม่กอตามแต่อย่าเพิ่งเชื่อนั่นแหละดีเอาไว้คุณฝึกจิตจนตั้งมั่นแล้วก็ลองตรวจสอบด้วยตัวเองอีกครั้งแล้วจึงค่อยเชื่อแต่ที่คุณสามารถจะตรวจสอบได้เดี๋ยวนี้ก็คือนิ้วมือของคุณ นิ้วมือของผมหรุดครับพระนุ่มหยุดนวดกลางนิ้วทั้งสิบดูก็ไม่เห็นความผิดแปลกแตกต่างอะไรจึงบอกท่านว่าไม่เห็นมีอะไรนี่ครับหลวงพ่อผมก็มีสิบนิ้วเหมือนกับคนอื่นๆคนอื่นๆบางคนซะอีกที่ไม่เหมือนผมเพราะมีตั้งสิบอ็ดนิ้วท่านพู ด, ดนรวนหมายยั่วให้ภิกษุชรากโกรธให้ได้ มีของดีอยู่ในตัวกลับไม่รู้ต้องให้คนอื่นเขาบอกมีทถ้าฉันไม่บอกจ้างคุณก็ไม่รู้นิ้วมือของผมมีอะไรหรือครับคราวนี้ผู้มาจากต่างถิ่นอยากรู้ลองงายมือทั้งสองข้างดูสิแต่ละนิ้วมีสามคอก อ, อจริง แต่ว่าเส้นต่อระหว่างขอนั้นของคนอื่นๆกนเป็นเส้นเดียวแต่ของคุณเป็นเส้นโคทั้งเส้นบนเส้นล่างแล้วก็เป็นเหมือนกันทั้งสิบนิ้วไม่เชื่อลองดูก็ได้พระหนุ่มละมือจะการนวด ยื่นมือเข้าไปใกล้ตะเกียงแล้วหงายดูก็เห็นจริงดังที่พิสุชราบอกกล่าวทุกประการแล้วอย่างนี้ดีไหมครับหลวงพ่อมันอยู่ที่การใช้ถ้าใช้ไปในทางดีก็ดีสุดโกแต่ถ้าใช้ไปในทางร้ายก็ร้ายสุดโกไปเลยเหมือนกันจำได้ไหม ตอนคุณเรียนอยู่ชั้นประถมสามคุณต้อยเพื่อนร่วมชั้นหมัดเดี่ยวเพื่อนสลกไปเลยริงครับหลวงพ่อภิกษุใหม่รู้สึกปิติจนน้ำตาไหลหลวงพ่อช่างวิเศษเสียละเกินเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วหลวงพ่อยังทราบหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษท่านก้มลงกราบหลวงพ่อเดิมสามครั้งด้วยศรัทธาเลื่อมใสอย่างแท้จริง ฉันไม่ใช่ผู้วิเศษวิโสอย่างที่เธอคิดหรอกนะยาเข้าใจผิดก็อย่างที่ฉันเคยพูดกับคุนนั่นแหละว่าถ้าจิตตั้งมัน่นสิอย่างทำอะไรใดหมดเรื่องนิ้วมือคนนี้นะคุณไม่สังเกตบ้างหรือเวลาที่คุณชกต่อยกับใครคุณคนเดียวสามารถ สู่กับคนได้ต่างหลายคนก็เคยแปลกใจอยู่เหมือนกันครับท่านนึกถึงเหตุการณ์ตอนถูกเจ้าถิ่นรุมเมื่อครั้งไปดูลิเกทที่วัดไล่และตอนมีเรื่องกับรุ่นพี่สมัยที่เรียนโรงเรียนในร้อยตํารวจท่านคนเดียวแต่ต่อยรุ่นพี่เจ็บไปหลายคนแล้วกบเราะมือของคนนี่ใช่ไหมที่สามารถ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 เงียบกันไปครู่หนึ่งระเจริญคิดว่าลุงพ่อเดิมหลับแต่ท่านไม่ได้หลับคืนนี้จึงดูแปลกกว่าคืนก่อนๆซึ่งท่านจะต้องหลับไปสามตื่นลุงพ่อครับแล้วมือของผมควรจะใช้ไปทางใดครับผมหมายถึงว่าทำอย่างไรจะไม่ต้องใช้ไปในทางร้ายท่านเกิดความรู้สึกกลัวบาปกรรมขึ้นมาอย่างประหลาดปกติอย่าว่าแต่จะกลัว แม้เชื่อท่านก็ยังไม่อยากจะเชื่อฉันไม่บอกดีกว่าไว้ให้คุณรู้ด้วยตัวเองถึงจะสาบซึ่งถ้าบอกเส้นแล้วมันก็ไม่น่าตื่นเต้นจริงไหมจริงครับแล้วผมก็จะพยายามรู้ด้วยตัวเองให้ได้เอ๋หลวงพ่อครับ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 ภิกษุชราช่วยรื้อฟื้นความจำให้ผู้อาวุโสน้อยกว่าจำได้แล้วครับโอ้โหหลวงพ่อเก่งจริงๆขนาดเรื่องของผมแท้ๆและผมก็ยังหนุ่มยังแน่นกลับจำไม่ได้หลวงพ่อไว้ร้อยสามแล้วยังรู้ยังเห็นพูดด้วยศรัทธาเปี่ยมลน้นไม่ต้องยำบ่อยนะัหรอกว่า่ัานอายุรอยสามนะ่ะ หลวงพ่อเดิมแกล้งเยาแต่หลวงพ่อความจำดีกว่าคนอายุ21นี่ครับผมเห็นจะต้องขอเรียนวิชาฝึกจิตให้ตั้งมั่นจากหลวงพ่อเสรจแล้วจะได้เก่งแบบหลวงพ่อตกลงคุณเชื่อแล้วใช่ไหมว่าคนโบราณตัวสูงใหญ่กว่าคนสมัยนี้เชื่อแล้วครับท่านนึกย้อนไปถึงอดีตสมัยเมื่อเป็นเด็ก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 ถ้าทำความดีเพิ่มอีก2 0ก็มั่นใจได้เลยว่าจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิคุณจำที่ฉันพูดไว้สักอย่างหนึ่งว่าในอนาคตคนจะเป็นมิจฉาทิฏฐิกันมาพวกเขาจะไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่เชื่อเรื่องนรก สวร์เมื่อไม่เธอก็จะพากันทำความชั่วอย่างไม่สะทกสถานคุณโชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่เป็นสัมมาทิฐิและหากคุณดำรงอยู่ในสมณะเพศต่อไปก็จะเป็นประโยชน์มหาศาลต่อเพื่อนรวมโลก หน้าแปลกที่คำพูดของภิกษุชรามิได้ทำความขัดเคืองใจให้กับพระหนุ่มเหมือนเช่นทุกครั้งมาบัดนี้ท่านรู้สึกเฉยๆจะศึกหรือไม่ศึกท่านก็ไม่สนใจอีกต่อไป